อารตนาทํทารองกันนะ and you can remember that ไออ t mm h -hmm. ร่างกายอันนี้เขามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะมีตุผลเกิดจากอดีนนตชาติผมมันก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้บันนี้ แต่เขามีของทางที่ใต้ตัวเขาอยู่แล้วราายตร น, นี้คือเกิดแล้วก็เกิต้องเกิดต้นใใครจะมีอำนาจว า, าสนาขนาดไหนบุญาปังขนาดนจะสักพเขาอยู่ไม่ได้เยเขาจะต้องเดินทางไปตรงนี้ตันี้มันเป็นเื่อง ท้าไมมีเขาเขอยู ALLY ่ไม่ได้จำเป็นจะต้องรักษาเขาอยู่ได้ หมุนขึ้นก็เลยมุ่งก็เลยม่งชี้จุดไปที่วัตุเป็นส่วนใหญ่ม่งไปวั ประโยชน์ปองตรงนี้ กของใจเนี่ยไม่เปลียงมชักจู๋เดี๋ยวนี้เขเป็น ทีน่นี้การรักษาจิตกัายเนี่ยมันผิดกันมากเลถ้าจะออกกำลังกายต้องวิ่ง จะ ja. ต้องเที่ a วไปเที่ m วทิศไปเที่ยวไปเที่ยไปทิงไปนี่คือหน้าที่ของเขาถ้าจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้เเว่ฐานะของความปกมทีนี้เราจะากให้ทุกคนที่เรัเรานงแล้วก็นำใจ หนูว่าเป็นเราจริงๆเนี่ยเข้ามามาแล้วเขาโรกรธเขาต้องรีบออไปช่วยเราเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุทางใจกลางอากาศเาร้อช่วยทันทีเขารักมากเ ล, จ ย, ลยจนกายกลายเป็นหนุ่มลดคุณภาพเรานั้นออกจากใจเมื่อนิจฉนั้นคุณภาพ ไม่มีผละ เออ ไม่ไดเดี๋ยวนี้อะไรที่ไม่มีแกัญชาที่เต็มไปด้วยปฏิกูลสูงโปก่งเนีย่ยเป็นเครื่องมือสําคัญจุดหนึ่งที่จะทําให้จิตใจอันเนี้ยเป็นอริยะไปได้ถ้าเป็นรถยนตนก็รถตัวเ ด, ด, ดียวที่ขาดไม่ได้าขาดก็วิ่งไม่ได้ด น, นี่ความสําคัญขอก่อนที่ เขาจับขามไปเผาิ้งพเขามาสร้างแกนสันให้จิตกับจิตใจเสียสร้างให้เขาจิตใจยกกันอรยิรยะบุตรเสียบบ้งเอาไปเผนี่คือ ป, ประโยชน์ของกายประโยชน์ของจิตรักสาตัทางปฏิบัติตัวทารักษ า, าต่างต่านสอสอผู้จิตจ เช้าเย็นเห็นสติปัญญาถ้าเขาถทุจิตใจจิตใจตัวนี้จะเป็น อันนี้ไม่ใช่ขอการเจ้าพนและก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้จริงที่เที่ยงที่ยุติเป็นคน่ากังวลไม่เคยสื่อไม่เคยตกอู่ใสนจจังเข้าจิใานั่นคโลกของความจริงไม่ได้เจือปนไม่กไม่ได้เจือปนไม่ เราจะทัจร <S PA> ักาใจให้ดีรักษาใจให้สุขงเราไม่มีโอกาสแค่ร่ากายอันนี้ดด้วยเท่ากันถ้าร่างกายอันนี้หมดอายุหายหนเราจะได้คิดเลยว่าเราจะปฏิบัติทไปได้เวลาเหลือยู่นิดเดียว อยู่ไม่ตทีนี้การปฏิบัติพระพุทธเจ้า ก, ก็แบ่งบระบบของความเป็นสัตว์ออกเป็นสองส่วนที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่อยากไปพระนคนคือทานศีนลธรรมะถ้าเขาอยู่ในระบบสามอย่างนี้เขาก็จะต้องเที่ยวอยู่ในพวกที่ ไีม่มีเหตุผลไมมีคำว่าร้องได้อั น, นั้นถึงจะเป็นชั่วนี่งรังเป็นจักรวาลชั่วนี่งัูนย์ไู่รู้รู้หมดทุกอย่างตรงนั้นที่มีเอะี้แต่เอาาเป็นคำพูดไม่ได้เลย แต่ที่นี่ถ้าเรารักษาิธีรักษาที่ถกต้องที่จะต้องสู่พุทํานี่จิตใจให้ใสสะอาดการที่จะาจิตใจให้ใสสะอาดเป็ น, นเรือยากเพราะนั้นี่คือหนึ่งจิตใจที่ปล่อยให้เขาเจ็บอารมณ์อยู่ข้งนอกเขาจะไม่มีสิทธิ์เ ป, ป็นอท่าต้องการสร้างแะก็เอาเนความดี นักมิหนึ่งควรปฏิบัติถ้าปล่อยให้ใหเขาเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกเขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิเลยยิ่งเสพยิ่งเสียยิ่งเสจริ่งเยิ่งเสพยิ่ ง, ยงอยากเสพทีนี้สิทธที่จะเป็นสมาธิได้คือสิทที่ถูกตัดกระแสของความคิดแล้วเอามาตั้งไว้ เพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดจิตจากอารมณ์ต่างๆทังโลกเข้ามาหากายไรุ่ญเกิดทันทีพลังจิตเกิดทันทีถ้ากำหนดดึเข้ามาอยู่ได้นานจิตัวนี้ก็คุขกัเราตัวพัฒนาตัวแสบเาาิตทันีเกิดขึ้นให้ใสัใจ เดี๋ยวนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ทายังไงเก็ช่วยไม่ได้ทีเดียวไปกธปอเขาช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าพวกเราไดยงจิตพวกเราพกเราจะ้องไห้นะทีเดียตะกให้ผู้เป็นเจ้าของตลอดเวลาเลยว่าช่วยช่วยเว้องไปวยลอยากหนีจากตรงนี้แล้ว เราเข้าไปช่วยเขาให้ตัดจากควารการเป็นสมาธิเขาจะเป็นสมาธิเองการที่จะก้าวสู่ความเป็นนิพพานเขาเองเดี๋ยวนี้เขาทํางานตรงนี้ไม่ได้เพราะเขาถูอำานาจของสิ่วกกลุเพราะฉะนั้นวิธีใดที่จะ กำหนดจิตใจให้อยู่กับกายได้ตลอดใครมีวิธีไหนเอามาเลยเอามาเลยใครมีวิธีไหนที่จะเอาอยู่เอาเลยแต่เขาลึกลับอยู่อย่างเดียวคือเขาไมีตัวตนเขาไม่มีสีสันเขาไม่มีแเสียง ตัวที่จะเข้าไปควบคุมคือสติต้องมีตัวตนต้อมีเสียงต้มีสีต้องมีเสียนกันสติสติคือความระดุบสัมปัตคือความตัวนี้ถ้าได้ถึงจริงสติบายไม่ถูสติสติตัวเนี้ย อยู่กับเรานะรา่อนแรจากห้องนตงหนี ท, ทันีเลเราลอยอยู่คนอากาศพอเราจใช้เขาสักอเขาก็มาแล้วมาทำงานปุุ๊เรจทัคหนีัน บ, บสติตัวเนี้ยพระกรรมฐานนี้ผมให้ดุสิติตัวนี้ออกมาควบคมความคิดควบคุมความคิดสติตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาสติตัวนี้ สมมติว่าอาจถามโยมท่านว่าทุกท่านเข้าโรงเรียนชั้นอยู่ที่จังหวัดไหนขสอะไรจะเลือกองสตรใช่ไห้จอสตรสตรีก็จร แต่ทีนี้นะอวบุมควบคุมเอามาวบคมเรื่อยๆเรื่อยๆ่ยมลัง้มลังพลังวามวมจากการเาเเสุดท้ายมไม่ออกเมื่อปุ่ม ที่ติดก็ไม่ไี้ติจทตกีไม่มีสิิจะคิดว่าตัวตัน้เป็สิางที่ระยะที่ควบคุมกันดึงไปดึงมาอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าเขาสะสมพลังถ้ากำหนดได้เป็นหนึ่งได้หนึ่งชั่วโมงเอาหนึ่งชั่วโมงนั้นกลายเป็นปปพลงังจลตงที จะเป็นพลังติั้งติสติตัวเนี้ยถ้าเขาแก่ตัวทําตควบคุมได้เขาจะแก่ตัวติดตั้งติดตั้งติดตั้งด้วนะครับถ้าอาจจะมาถามว่าเข้าโรงเรียนชั onions, ้นปรถมปีที่หนึ่งอยู่ที่ไหนเขาก็จะทำยังได้วยสติตัวที่มีพลังในการฝึกฝนเขาไม่ ไม่จำการุเพราะเข้าโรงเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งนะเขาจะทนุษชาติไปรู้ทันทีเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นมนุษยชาติที่แล้วมันเป็นอะไรอยู่สกิตจะนี้ไม่ใช่ธรรมาเาจะจอยากรู้ไหมก่อนจะมานั่งอยู่นี้เป็นอะไรมาก่อนโอ้ยอยากรู้เลย เพรฉะนั้นเรื่องจิตเป็นเรื่องสําคัญถ้ารักษาได้เขามีระดับขึ้น่าขึ้นโดยเฉพาะความเป็นสมาธินะะประกอบการที่จะเอาจิตเป็นสมาธิจิตสมาธิปรกอมีทั้งการรักษาภายนอกหรือทั้งการรักษาภายในภายนอกก็คือจำเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งไหนไม่พอใจไม่สนใจมากเกินไปสะกดเลย กาให้เข้าไปการพูดคุยทีนีการพูดคุยเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นไม่เกี่ยวกับตัวของเราตัดทิ้งไปเลยจะรู้ขนาดไหนไม่ต้องพูดนี่คือการทำสมาธิเข้าใจไหมเรื่องของคนอื่น ถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งจะหยิบยกขึ้นมาทั้งๆที่เราก็รู้อยู่ไม่ต้องพูดเสียวเวลาเสียเวลาสู้การกําหนดจใจไม่ได้ไม่ต้องพูดนี่คืออะไรวะทำสมาธิโน่เ น, น, น, น, น, นี่ยพูดๆเมื่อจนเตือไปนุ่งายฟุ่งเสียเวลาเสียโอกาสเสียทุกอย่างนี่ไม่ดีนินทาเขาต้องตุ้บหัวเอา เสียไปอีกทีนี้คิดสมาธิไหนสมาธิไหนคือควบคุมควบคุมไม่ให้เขาออกมาโดยเดดาดถ้าไม่ใช่เรื่องที่จะคิดไม่ต้องให้ออกมาควบคุมไม่ใช่ว่ามันให้ิด ได้ถ้าเราควบคุมอยู่บ่อยๆถ้าถึงสติมีขนาดควบคุมปุ๊บถ้าสติถึงฐานะความเป็นการควบคุมโดยปริยายแล้วเนี่ยเขาจะกลายไปเป็นสัมปชัญญะทีนี้หมดสิทิจากการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เป็นปกติที่เราต้องการ ไม่ได้ควบคุมถ้ากลายไปเป็นสัมปชัญญะเมื่อไรแล้วเมื่อได้ควบคุมรออยู่อย่างเดียวคือรอชั่วโมงเต็มถ้าชั่วโมงเต็มเมื่อไหร่จิตเป็นสมาธิทุกทันทีได้ไมลูกคุณทราบไหนะจีตเป็นสมาธิุทันทีจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ย เ ข, เขาจะมีอนุภาพมากเขาะมีอนุภาพมากมากขนาดไหนขนาดนิมนต์ทั้งห้านี้เข้าใกลไ้ได้เลยนะก็จุยด้วยแหลกเลนะปกติธรรมดาจิตของพวกเราเนี่ยจะหมุนสามพันรอบต่อ น, นาทีถ้าจิตเข้าไปถึงความเป็นสมาธิเต็มที่ถอนออกมาเขาจะหมุนสามหมื่นรอบต่อ น, นาที จะช่วยรุ่ยแหลกไปเลยนั่นต้องทำเรื่องพวกติดส่วนใดส่วนหนึ่งของความเป็นศาสนาไม่เหมือนเขาจหามะเรื่องินหลาม่าใจกลางของความเป็นาศาสนาด้วยกัน ศาสนาเป็นของทัานสมัยอยู่เสมอใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีคำว่าล้าสมัยพอเข้าใจไหมถ้ามีคำว่าล้านสมัยเ้าจะไปคิดแล้วจะไปทับถึงสิ่งที่จะขปัญหาธรรมะของตัวเองไม่ได้นะ Thank you.